แล้วทาเพียงเป็นพิธีทำสันส้นๆแล้วก็จะได้แนววิธีปฏิบัติให้พวกเราให้พวกเราได้เข้าใจเอาไปใส่กับชีวิตของเราจริงๆพระก็ปฏิบัติอย่างเดียวกันโยมก็ปฏิบัติอย่างเดียวกันธรรมะแท้ๆหรือจริงๆนั้นมีอันเดียว คือการเมตถึงจะบวชโมบวชก็ต้องปฏิบัติอย่างเดียวนั่นอันการงานอย่างอื่นๆนั้นได้ผละสิ้นคนละยางคนละแนวกันแต่หน้าที่นั้นกับผลละยางคนละแนวกันดังนั้นผู้เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องทําหน้าที่ครูบาอาจารย์ให้มันจริงผู้เป็นลูกศิษย์ก็ต้องทําหน้าที่ของลูกศิษย์จริงๆ มันก็ได้ของจริงออกมาทั้งสองอย่างเพราะครูบาอาจารย์ก็ให้ของจริงลูกศิษย์ลูกหาก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ปฏิบัติจริงจริงมันก็ได้รับผลจริงจริงดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนะันจึปฏิบัติอย่างเดียวกันคือปฏิบัตินั้นวิธีที่หลวงพ่อออกมาใส่กับชีวิตของหลวงพอ่อคนอื่นอาจิตใส่ได้เช่นเดียวกันเพราะมันมีหู มีตามีจมูกมีแข้งมีขามีคือการมดทุกคนบบยกเวนจึงว่าปฏิบัติธรรมะอย่างเดียวปฏิบัติให้รู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้สึกตัวคือพระพุทธเจ้าควรสอนเอาไ ว, ว้ว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยบททั้งสี่ยืนให้มีสตินั่งให้มีสติ นอนให้มีสติเวลาเดินไปใส่มาใส่จะให้มีสติเืนว่าแต่เท่านั้นก็อย่างบพเพราะอยังบอกว่าให้มีสติกาหนดรู้ในอิรเดียบทย้อยคู่เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติรู้อันควมรู้สึกตัวนั่นก็เรียกว่าสติอันเฮารู้สึกการเคลื่อนไหวเฮาก็ว่าเฮามีสติลวดังนั้นจึว่า หาวิธีมาให้พวกเราทํายกมือทีแรกก็ต้องนั่งพระเพียบก็ได้นั่งเหย็ดขาก็ได้นั่งขดธมา t h ก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้เอามือมาวางไว้บนขาเขาทั้งสองขางนี่พลิกมือถั่วขึ้นซาซายาสุเฮดไวให้มันรู้สึกเคลื่อนไหวขึ้นให้มันรู้เอามาสั่นไว้หรือตั้งไว้ให้มันตรงแล้วยก เวลา ย, ยกขึ้นก็ค่อยค่ยกขึ้นมาให้มันตรงได้ซากมันแล้วก็หยุดไว้พอดีรู้จักมันหยุดแล้วก็ค่อยคอเอาเลื่อนเข้ามาที่สะดือเราเมื่อมาถึงสะดือแล้วก็ให้รู้จักว่ามันหยุดมันเศราแล้วมันโบนิ่งเออมันโบนิ่งโบจริงบบเคลื่อนโบไหวสิใดแล้วแบบ น, นี้นก็รู้จกักค่อยคอยพิกมือซ้ายคือโบไนม่ยกพิกซื้อพิกมือซ้ายตะแคงไว้ มันยุดแล้วกยค่อยเลื่อนขึ้นมาถ้ามันตรงมันได้สากมันแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข้ามาเทียบไว้กับมือขวาแนบแน่นดกับโมิที่เอากดเข้าแนบแน่งก็ได้เพียงเอาเข้ามามันรู้สึกสัมผัสกันแล้วก็พอก็เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกนี่เอามือขวาออกตรงข้างลดมือขวาลงตะแคงไว้ขาขว่าหัวใจมันดูดีแล้วก็ เลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกเอามือซ้ายออกตรงข้างลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายแต่แข่งไว้ขั้วมือซ้ายลงเฮ็ดยังสั้นน่ะเฮ็ดอยู่ตลอดสลับสับเปลี่ยนกันอยู่กันสนิทเมื่อนั่งผ่าเทียบกับนั่งขดธรรมะเมื่อนั่งขดธรรมะก็นั่งเย็ดขาเมือม่อเมื่อนั่งเย็ดขาแล้วก็ลุกขึ้นยืนยืนขึ้นกับเฮ็ดคือเกาว น, นั้นตื่ม การยืนก็ต้องมีจังหวะมีวิธียืนที่หลวงพ่อทำหลวงพ่อฝึกเฮ็ดมาก็เลยเกิดควมรู้ขมเข้าใจควมรู้กระเบดิดรู้นอกตัวไปรู้ตัวเฮานี่แหละการเคลื่อนการไหวมันรู้มาเข้ามาเข้าก็เรียกว่ามีสัญญามีควมรู้อย่ว่าสัญญาความหมายรู้จำได้มันจำได้ตั้งแต่เกิดมาจากทองแม่คุ แต่เขามาทิ้งมาลือมันซักเลยบุรู้จักบุรู้จักตัวเขาก็เลยไปรู้จักอันอื่นนอกตัวเขาไปพุ่นมันก็เลยบุแม่ของจริงบัด น, นี้เมื่อเขามาพลิกมาเคลื่อนมาไหวมายกมือไปเอามือมานี่มันก็เลยเกิดรูเกิดเห็นเกิดเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งที่มันมีแล้วนั่นแหละการู้จักรูปอันนั่งอยู่นี่มันเป็นรูปมันเป็นรูปเป็นน้ํามัน นั่งอยู่ที่ซีนพอดีพิกมือขึ้นหรือยกมือไปเอามือมาเป็นรูปทำน า, นามทำแล้วบันี้ <c oughs> เขาจี้ย่างไปย่างมาก็เป็นรูปทำน า, นามทำแล้วบันี้ให้ว่าการเคลื่อนการไหวนัน้นเป็นรูปเป็นนามมันทําไปพร้อมกันถ้ารูปนามนี่ยแงออกจากกันมันก็ตายเมื่อนั้นหมดลมหายใจเรียกว่าคนตายหรือว่าศพหรือื่า เ, เป็นท่อนไม้ท่อนฝืนที่ซื้อนี่นะคนเขาเนี่ยขขจึงว่า ไม่กลัวตายกลัวทำไมตายอ่ะเพราะว่าคนอื่นก็ตายพ่อเขาก็ตายแม่เขาก็ตายพ่อคนอื่นตายแม่คนอื่นก็ตายลูกเมียคนอื่นก็ตายเป็นบันนี้โตเฮาก็ต้องตายเป็นคือกันจิงว่ะวกกลัวและคนตายเพราะมันเป็นธรรมดามันอยู่แล้วความตายจึงเทียงแท้แน่นอนที่สุดบบเปลี่ยนแปลงได้แม้จะเป็นคนไทยก็ตายเป็นคนจีนก็ตาย เป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาวตายมดให้ว่าเกิดเป็นคนแล้วก็ตายรือปาเดียวเป็นสัตว์กระตายบานนี้เป็นคนรวยกระตายเป็นคนจนกระตายเนี่ยข่มตายจีบบุยกเวนแม้จะบวชเป็นพระเป็นเองก็ตายบวได้บวชเป็นพระเป็นเองก็ตายเนี่ยคนเรียนหนังสือมากๆก็ตายคนบด้เรียนหนังสือก็ตายวามตายจิงว่า บยยกเว้นไายทางหมือจิงบกัวตายโอ้ห่วมตายที่ต้องแน่นอนเกิดมาก็ต้องตายเขาก็ต้องลูกของจริงอย่างสิเมื่อลูกของจริงอย่างนี่แล้วก็เลยรู้จั ก, จกรูปโลกนามโลกรูปมันเป็นโลกเกิดมาแล้วก็ต้องมีเจ็บหัวปวดท้องเขาไปโรงพยาบาลครับไปเบิง้งคนเจ็บเป็นโรคอันใดอันเนี่ยเนี่ยเขาถามโรคเจ็บหัวโรคปวดท้อง โรคเจ็บแค้งเจ็บขาโรคขมดันสูงแล้วแต่จีเป็นแล้วจริงว่าโลกขึ้นซื้อว่าโลกได้เมทุก์ทั้งนั้นจีเป็นโลกอันใดกระทุกให้ว่าความทุกขนั้นจริงว่าบ่นยกเวรอีกทมละพระพุทธเจ้าจริงว่าตัดแต่เรื่องทุกกับวิธีดับทุกเท่านั้นคําสอนของพระเจ้าทั้งหมดบรรจุลงตัวเห่านี้ให้รู้จักทุกและรู้จักวิธีดับทุกอธิขนว่า วิธีดับก็บคือเขวนนะเนี่ยบวกวนทุกบวกวตายมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วทุกข์กับตายเนี่ยมันแน่นอนที่สุดเพคนจังห่ากันหูจักอันนี้แล้วก็่าวูจักทุกขังอันนี้จังอนัตตาทุกขังกระมายถึงการเคลื่อนไหวนั่นแหละมันเคลื่อนไหวมันเป็นทุกทุกไปทนไม่ไหวคนว่าจึงว่าทุกขังอันนี้จังอ น, นัตตาเป็นอันเดียวกันแต่คําพูดมันเป็นสามคำ แต่หามาพิจารณาการเคลื่อนการไหวเป็นทุกข์อันนจ้จังขวมโบเทียงให้มันนั่งนิ่งนิ่งอยู่จากสหมวงนึงโบได้ตนโตเขาเนี่ยอนัตตาบังคับบรรสาไล้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันดังนั้นศึกษาธรรมะจึงศึกษาไปกับธรรมชาติอย่าไปฟื้นธรรมชาติมันพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าธทมเราได้เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรม นั้นไม่เป็นวินัยนั้นไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติเป็นวาอย่างสัตวแล้วเห่ากัอย่างเห็ดอยู่บางอย่างหลวงพ่อนี่หลวงพ่อบ่ได้เว่าวเรื่องคนอื่นคันเว่าวเรื่องคนอื่นนั่นบูจริงคันเว้าเรื่องตัวเองนั่นเป็นของจริงบางคนจะบังหาว่าเมาจนเรื่องตัเวเองเรื่องผู้อื่นบูบอกอาจาไปเว้าวให้ยังเรื่องผู้อื่นตํานนิแห่ที่รี้ลับของเหา่าเขาเห็นเมื่อ อื่นบอสามารถที่จะมองเห็นได้เขาก็บอสามารถที่จะไปมองเห็นตําหนิแหรรี่รับของคนอื่นได้เนี่ยเขาก็เป็นนังสัจจจึงว่าให้รู้จักตัวเขาจริงๆเมืมมอ่อรู้จักสมมุติแล้วกับบต้องกลัวแล้วกลัวให้ยังรู้จักสมมุติแล้วทุกครังอันนี้จังตาก็รู้จักแล้วอืมเดี๋ยวบังคับบรรทามันบอได้เป็นนังสัจจะสมมุติขึ้นให้มันเนี่ยผีเนี่ยเทวดาคนดีคนซัว สมมุติทั้งนั้นข้อมูลเนี่ยหลวงพ่อเข้าใจอย่างสัน้นแม้ตั้งแต่เสื้อผ้านี่ก็ยังสมมุติแต่ว่าสมมุติเอามาปกปิดอวัยวะอันให้เกิดคมละอายจนเขบาบปุกปกปิดตรงกับเป็นเพศเป็นวาผีเพศเพศเปือยเป็นบ้านหลวงพอว่าคนบนุงเสื้อนุ่งผ้าเขาเอขนเพศเปือยเป็นวายอย่างสัน้นยังรู้จักสมมุติหน้ามือหลังมือแข้งขามือเท้าสมมุติท่านมัดบ่เอาสมมุติมาว่าบุญหัวจักกันอีกตึมแล้ว จำเป็นจริงว่าทิมสมมุติบุได้ก็เลยหู้จากสมมุติบัญญัติปรมัตดบัญญัติอัถะบัญญัติอริยะบัญญัติบัญญัติซี่ย่างนี่ต้องรู้รู้จริงๆรู้โบจริงกับโบเมของจริงอีกฟึ้มเนี่รู้จริงๆสมมุติว่าพ่อสมมุติว่าแม่สมมุติว่าลูกสมมุติว่าเมียนสมมุติเพสมมติสมมุติขึ้นมาแต่สมมุติถึงเป็นของจริงจริงโดยสมมติอันนี้ จึงมันว่าเป็นของจริงจริงโดยสมมุติว่าเป็นของจริงจริงโดยสมมุติซื่อๆเนี่ยบุญเปนของจริงแท้จริงแท้มันเป็นใช่ไหมนี่มันแก้ทุกได้ผลจะไปเอื้นของจริงแท้คันแก้ทุกบ่ได้บุญเปนของจริงได้จริงจริงโดยสมมุติคนว่าดังนั้นเอาเป็นนางภาวนาพุทโธธรมโมอัลลัหังของยุบอนุกตามนะหลวงพ่อเคยนางมาแล้วเรื่องมูนี้เจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดแอวเนี่ยว่าอมพิกบ่ยอมปิ้น เพราะครูบาอาจารย์บอกว่ามันจิบ่มีสมาธิเนี่มันเข้าใจแสงสันเพราะครูบาอาจารย์รู้อย่างนั้นพวกเขาต้องสอนอย่างนั้นหลวพ่อจึงบว่เอาขุมลูกของผู้อื่นมาสอนมันเจ็บแข้งเจ็บขาต้องพลิกต้องปีนต้องให้ขุมสะดวกกับมันแต่รู้จักว่าอ่ะมันพลิกนั้นเป็นทุกข์นี่ยต้องรู้จังเลยมันทุกข์ทุกข์จิบว่าทนไม่ไหวแต่ว่าทุกข์ขังอันนี้อางอนัตตามันติดอยู่กับรูปอันนี้เป็นว่าเลยพัฒนามันบูรย์อันนี้ เกิดมาแล้วเป็นน่เป็นเด็กเป็นนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีลูกมีเมียเป็นพอบ้านเมีเรือนเท่าแก่ตายไปเนี่ยพัฒนาโบได้แนนี้ตอนพัฒนาได้เนี่ยคือพัฒนาบบให้มันโกดโบให้มันหลงโบให้มันโลบนี่ได้อันนี้เพราะจะว่าสัญญาความหมายรู้จำได้เปนว่าเมือ่อหูจักอันนี้แล้วก็หูจักศาสนาผู้จักพุทธศาสนาหลวงพอ่อ ศาสนาไปว่าคำซ่องสอนของท่านผู้รู้ว่าท yeah> ่นผู้ใดรู้เรื <Ja ่องอันใดเอาเรื่องนั้นมาสอนผู้ใดรู้เรื่องดูลึกดูยามก็สอนให้เราดูลึกดูลึกดูยามผู้ใดมีคมหูทางไหว้ผีขจัดก็สอนให้เขาไหายผีผู้ใดมีคมหูทางไหว้เทวดาขจัดก็สอนให้เขาว่ายเทวดาผู้ใดมีคมหูทางไหายนางทรณีเอานางทรณีรักษาบ้านอย่องพอ คนออกของรักษาพระธรรมวิถี่พ่อผีแม่ผีปู่ผีย่าผีบ้านผีเบื้องผีมาเหตุตักหลักคุณอุ้ยมันลายผีเอามารักษาเป็นวันอย่างนั้นกันได้เฮ็ดนําเพลินเพราะว่าพ่อแม่พาทำอย่างนั่นก็ต้องทํามันเป็นอย่างนั้นจิ๋ว่าเคยเข้าวัดเคยตักบ้านให้พระเคยเอาอาหารไปให้พระกินเกี่เอิ้นวาสศาสนานึกว่ามันเป็นวัด นึกว่ามันเป็นตัวหนังสือนึกว่าเป็นกมพีเป็นโมดเป็นสิมเป็นสันจึงมีศาสนาหลวงพ่อเข้าใจอย่างสันตินกรเมื่อมันเข้าใจแล้วตัวศาสนาแท้ๆคือตัวคนนี่แล้วสอนคนเนี่ยเพราะมีตาสอนตามีหูสอนหูเนี่ยสอนให้เฮ็ดให้ทำเนี่ยคนว่าเฮ็ดว่าทรรมในทางภาคกลางว่าอย่างได ห, หลวงพ่อบุรูษทางกรุงเทพเองว่าอย่งไดในทางกรุงเทพครับ ทำทำ เ, ยเตยเตยเฮ็ดบ่มีเนี่ยวันหนึ่พอต้องเฮ็ดต้องทำมาสันาส้นวันสั้นนั่นเลยรู้จักรู้จักว่าอ๋าศาสนาจริงๆคือโตคนพุทธศาสนาบรเน่าอันโตหู้จักมันเคลื่อนมันไหวนั่นแหละพุทธะพุทธะจึงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมยู่ด้วยทำกินด้วยทำนั่งด้วยทำนอนด้วยทำไปมาด้วยธรรม โบลูแต่ก่อนอันนี้แสดงว่าเขาหลงของจริงหลงตนลืมโตหลงกายลืมใจหลงชีวิตตัวเขาเขาจึงกลัวแบบนี้กลัวตายแบบนี้กลัวผีการเกิดบกลัวแบบนี้เข า, าพระพุทธเจ้าพุทธสอนให้กลัวเกิดก่อนมันเกิดโดยวิธีก็ตามมันเกิดหักเกิดส่งเออเกิดหักเกิดสั่งกะกลัวมันเกิดอิสสานฤษยากะ ก, กลัวมัน ก็จิตใจคุ้นมัวเศร้ามองหดหูบ้านหลวงพ่อเรียวหดหู่ทางนี้ว่าหดหูว่าสัตวทางของเทพเขางเจ้าวะต้องกลัวมันอย่าให้มันเกิดขึ้นมาได้อันนี้อันนี้แหละเป็นทุกทุกแท้ๆอันนี้แล้วก็รู้จักบาปหลดรู้จักบุญบั น, น, นบาปคือยัง้งบาปคือบมโหโกรธเห่านี่แหละบาปคืองโง่บาปคือมืดบ้านหลวงพ่อเข้าใจท่านตัวหลวงพ่อเองเข้าใจ บุญได้บันเนี่ยบุญคือหูบุญคือสลาดบุญคือเห็นแจ้งรูจริงรูของจริงเนี่ยเรียกว่าบุญเขาเคยเห็นเนี่ยผู้ใดนั่งสบายอย่กบุญเสาเนี่ยเขาว่าเป็นเขาหักบูฮจักผู้ใดยุดสบายบุญเสาผู้นั้นนะขันผู้ใดมีความสับสนวุ่นวายทุกกรรมเราเวนเราเนี่ยเขาว่าเขาบูฮุจักกรรมคือการกระทำนั้นเนี่ยเวนคือสิ่งที่หมุนเวียนนั่นแหละมันหมุนเวียนอยู่นเอิญวัฏฏะ คือ Shift, วงกลมเพราะไงวาปฏิจจสมุ ป, ปบาทเป็นว่ายังสั้นแต่เฮาว่าซื่อๆนี่ข อ, องหู้จักของบุงหู้จักเพราะเขาบ่มีสัญญานั่นเองอันสัญญาาไปเฮียนหนังสือจากครูจากอาจารย์นั้นมันแม่นสัญญาอันนึงเนละ้บุไม่สัญญายอย่างที่เนี่ยพอว่านี่เนละ้จึงว่าคนบ่มีสัญญามียูสัญญาบุไม่สัญญาแบบนี้ยังเฮานั่งอยู่นั่กันนี่นี่บุได้นึกจากเท ว, วาตา มีคนมาถามตามีบ่จะมีจับทุกโลดหูมีบ่มีจับทุกโลดโล ด, ดังบ้นอยู่ยันเยพราะว่าดังจะโมกจะโมกมีบ่จับทุกโลดให้ว่ามีอันใดครัจับทุกอันนั้นหมดอันนี้แหละสัญญาโดยกําเนิดแทศ เ, เหารู้บัดนี้จิตใจเหานึกเหาคิดเหาก็ต้องรู้ที่บัดนี้เพราะมันมีในเห่านี้แต่เหาบ่รู้ คนจึงว่าบวศึกษาตัวเองบวได้พิจารณาตัวเองบวได้พัฒนาตัวเองไปศึกษาในเรื่องคนอื่นไปพัฒนาในเรื่องคนอื่นเขาไปเรียนหนังสือผู้เป็นนักศึกษาเนี่ยพอเท่าบวได้เรียนบวได้เป็นนักศึกษานําเพิ่นเรียนเพื่อยังเรียนเพื่อกันทุกข์เรียนจบแล้วไปทํางานมือเนี่ยทํางานเพื่อยังทํางานเพื่ออยากได้เงิน ได้เงินเอามาให้ยังเพื่อก wow. ัน <Reserve> ทุกแต่อ ah ัน okay. น <Families jour ate> ั้นมันกันโบได้ดอกกันได้ตามภาษามันเพราะมันเป็นโลกโลกมันต้องเหตุสังเกติว่ารู้จักคนรู้จักหน้าที่ของคนและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองตัวเองเป็นหน้าที่อันไรต้องรู้จักตัวเองเป็นพระต้องรู้จักหน้าที่ของพระตัวเองเป็นเนนต้องรู้จักหน้าที่ของเนรตัวเองเป็นพอบ้านแม่เรือนต้องรู้จักเป็นพอบ้านแม่เรือน เขาไปหาพ่อหาแม่เขาก็ต้องว่าพ่อว่าแม่เมื่อเขาเป็นพ่อบ้าแม่เลี้ยแล้วบันเนี่ยลูกมาหาเขาเขาก็ต้องพููจกว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่มันต้องจังสันถ้าหาัวเขาจังสันแล้วเป็นยังบวใส่คนและนั่นขันบัวจังสันบวใส่คนบัไม่คนแม่ยังเขาบัเห็นได้บันในใจเขาเป็นแงขาหน้าตามือเท้าเป็นคนอยู่เพราเกิดนําคนเนี้มันก็เป็นคนสั่าเกิดเป็นคนเกิดนําคนเนี้ยขันเกิดนําสัตว์ได้บันเนี่ย แหงขาหน้าตามือเท่าก็เป็นสัตว์แล้วก็เป็นปรูปสัตว์เป็นลูกสัตว์บ้านเนี่ดังนั้นคนกับสัตว์นั้นจึงว่าจิตใจคือกันบ้ผิดกันผิดกัน น, น้อยๆผิดกันเพราะว่าสัตว์มันโมจําสอนได้ยากคนเนี่ยมีความจําสอนได้ง่ายความจําอันนั้นเพื่นเอื้นว่าสัญญาควมหมายรู้จําได้เพื่อนวัน แต่อันจำเพื่อนสอนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึงจำโดยมังเกิลมาจากกฎธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นอันห น, นึ่งเนี่ยเป็นอะไรอันนี้แปลว่ารู้จักภาคต้นในภาคปฏิบัติหนวงพ่อรู้จักอะไรสิเมื่อรู้จกักอะไรสิความคิดมันฟุ้งขึ้นมาเกิดรู้อย่างนั้นเกิดรู้อย่างนี้อันนั้นเป็นความคิดมันฟุ้งซ่านแต่ให้มันคิดอย่าไปห้ามมันมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้มันคิดออกไปกว้วงเท่าใดยิ่งรู้ไปกว้วง แต่ความจริงเอามาใส่จริงๆหนึ่งคือให้รู้จักรลูบหู้จักนามหัวจักรลูบทำน้ำทมหูวจักรูปโลกนามโลกหู้จักทุกลังอนิจจังอนัตตาหัวจักสมมุติหัวจักศาสนาหัวจักพุทธศาสนาหูวจักรบาหูวจักบุญอันนี้อันนี้หลงโบได้อันนี้ต้องรู้จักโลกนั้นมีสองอย่างโลกทางเนื้อหนังนี้ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลโลกทางจิตใจอันมันนึกมันคิด มันซอบมันเกียดมันว่าดีนั้นเขาต้องรู้จักเขาต้องมีความรู้สึกตัวมันคิดขึ้นมาเขาจีเห็นจีรู้ทันทีเมื่อเขาเห็นเขารู้ทันทีแล้วความคิดประเภทนั้นมันสิจางไปหายไปหลวงพ่อรู้จังสี่นวนหลวงพ่อว่าเป็เรื่องหลวงพอ่อคนอื่นนั้นหลวงพ่อเอามาว่าบรใดหลวงพ่อจึงมีความสามารถที่จะเอาเรื่องนี้มาแนะนําให้คนปฏิบัติวิธีมันต้องให้จังสั้น ถ้าหากบ่รู้จักวิธีของมันท่านหลวงพ่อกับบุผู้จักวิธีที่จะไปสอนวิธีนั่งพุทโธนั่งภาวานาพุทโธนึกในใจหลวงพ่อก็ได้ทาํ า, า, ามาหากิว่าสร้างกระทาสร้างเวเวอยังรูปบุได้หลวงพอ่อลูบบุได้อันนั้นแล้วคนอื่นกิรู้ได้กับเรื่องของคนอื่นหลวงพอ่อลูบบุได้หลวงพ่อทํามาภาวานาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทได้แต่เท่านั้นนหละแล้วก็ เมื่อออกมาแล้วก็มาพิจารณาว่าผมง อ, อกฟันหักอย่างนั้นอย่างนี้สําและเนื้อตับไตไส้ปอดพิจารณาสั้นให้เป็นอสุภะมันเว้าซื่อๆที่ใจเป็นโบเป็นเมื่อใจบบเป็นแล้วเจ้าของว่าเจ้าของรู้สั้นอันนั้นมันรู้เว้าเอาเพื่อนว่าเป็นวิปัสสนึกเป็นวิปสัปปสคิดนึกเอาคิดเอาโบแมนเนีย่ยพอผู้อื่นที่อาจีแมนพอเพื่นรู้จังสั้นเนี่ยพอเฮ็ดดาวบนโบแมน จะมารู้แล้วจึงมีญาณเกิดขึ้นตัวความรู้สึกนี่แหละรู้มาเข้ามาเข้ามาเข้ามันสมบูรณ์มันเลยเกิดญาณปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงรู้จริงๆผู้ใดทําก็รู้อันนี้ได้สอนมาแล้วคนหลายคนหลวงสอนหลวงพ่อเป็นโยมอยู่ปฏิบัติธรรมมาสอนปีสองปีกับแปดเดือนหลวงพ่อสอนอยู่เป็นโยมสอนก็รู้คือกัน สอนพระพระก็รู้อย่างเดียวกันนี้สอนโยมโยมก็รู้อย่างเดียวกันนี้ผู้หยิงก็รู้อย่างนี้ผู้ทายก็รู้อย่างนี้ผิดอย่างนี้ไปบบแบงของจริงอันนั้นโบจริงรู้เลยมันแก้ทุกได้อันเป็นอย่างไรตอนแก้ทุกขนี้มันแก้เป็นสั้นเป็นสั้นไปโบมบงไม่สั้นคือปลูกบ้านแปลงเฮือนสองสั้นสามสั้นถึงเก้าสั้นสิบสั้นโบเป็นสันอย่างสั้นมันต้องรู้จักลึกเข้าลึกเข้าเป็นอย่างไรลึกจังไดัน มันกรโบก็คือนําลึกแต่มันรู้จักปัญญามันละเอียดเข้าละเอียดเข้าเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็นแนะนําให้ดูขุณคิดมันคิดมาต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจและต้องฟ้อยต้องวางทันทีแต่มันปล้อยโบได้ทำอิดมันต้องคิดมาจากลอยเรื่องเราเจียรู้มันเรื่องเดียวที่แรกโบลุ่มันคิดต้องเคตป้าอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องเป็นราวไปโบจบโบสิ้นจากเถื่อ มัดนี้เมื่อมีข่มรู้สึกแล้วพลิกมือขึ้นข่มพอดีมันคิดปุ๊บเขามาลู่ขมรู้สึกพี่อันนี้จังทุกต้องกําหนดรู้ตัวนั่นทุกมันเอาคิดแล้วมันไปโหลดทุกตัวนี้เอาพอดีมันคิดปุ๊บเขามาลู่จักเนรู้สึกตัวพลิกมือขึ้นขุมคิดมันหยุดโหลดเพระาะไงวะทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญ นี่โลถทําให้แจ้งว่าสันตำลาเป็นวายัล้วแต่บูฮุจักแต่ก่อนเนี่พอเดี๋ยวนี้ถ้าเนี่ยพอฮุจักเด่นใครซีว่าเนี่ยพอบูฮุจักก็เรื่องของข้าเจ้าเวอลข้าขเจ้าจีฮุจักนนี่ยพอยัออยงไหนเาี่พอก็บบูฮจักมูเพิร์นมูเพิร์หุจักเนี่พอก็บบูฮุจักเพราะว่าตํำนิแผ่ที่ลี้ลับนั้นคนอื่นบวสามา마지มองเห็นเขาต้องเห็นเขาต้องรู้มันบ่นมีคมจีว้าก็เดือหามาเวา้าอันเรื่องตํำนิแผ่ที่ลี้ลับ คนอื่นบวมองเห็นได้เฮาต้องรู้ได้ความคิดเฮาเนี่ยพายจะรู้ได้ต้องเฮารู้ได้ทีอันพิบตาอันหายใจได้มันยาบคนอื่นมองเห็นอยู่ส่วนความคิดนั่นน่ะคนอื่นมองโบเห็นเลยจึงว่าห่าพ่อจึงโบเสือพระอัาหันเห็นผู้อื่นหยา่าพ่อโบเสือตั้งแต่มือ น, นั่นมาจนถึงสูมือนเนี่ยหยาพอ่อโบเสืออย่างพระอัาหัน์มองเห็นอันนอันนี้เอ้ยหยาพอ่อโบเสือ ของโบจริงจรดักหักโบจริงจรผู้หันเหตุยังทันจริงแท้แกหักบไม่ของจริงมันจรจังไดมันแก้ทุกโบใดอ่เป็นพระอรหันต์นับเมตดหินเม็ดทรายพื้นโลกนี้ครบทวนจบหมดกับกระโบเสือเพราะมันแก้ทุกโบได้นี่ที่มันแก้ทุกได้แล้วโบเป็นพระลางกระทำสางหลวงพ่อ้าใจโอ้พระอรหันต์โบได้หมายถึงยังสันนี้หลวงพ่อก็เลยรู้หูทิพตาทิพเนี่ยพ่อก็รู้รู้ตั้งแต่มือนั้นมาจนถึงมือนี้ หลวงพ่อจึงโบเสื้อคนอื่นทั้งหมดแม้ไหกีอวอลสเน่กับโบเสื้อว่าทิฐิหลวงพ่อเป็นยังไงเป็นมิตรสาธิตถีแล้วทันนัท่านกัดยากัดเจ้าแล้วกัดเจ้าเบาสืส่อสมมุติว่าซื่อหลวงพ่อหูจักกังสันจึงว่าโอ้จิตใจมันคิดลอยเรื่องเราบรูแต่ก่อนบันนี้เรารู้เรื่องหนึงน่งแล้วมันคิดลอยเรื่องกันอย่างเรืออยู่เก้าสิบเก้าเรื่องมันดูเขา้าเคลื่อนไหวเขา้า มันรู้สึกตัวมันคิดมาปุ๊บออกไปสองสามเรื่องลู้นนับบนี้เอามาเข้ามาเข้าเขีเขยนหนังสือให้วันเธอไปมู่เพื่อนเป็นนักศึกษาคนกรุงเทพนี่แต่อย่าพอวา่าเมื่อนี่เป็นวา่าเป็นภาคภาษาบ้านหนวงพอฟังหลายเธอจึงเข้าใจคันถ้าวาธรรมะหลวงพอ่อจงว่าภาษาบ้านหนวงพออืถ้าเว้าให้มันเป็นจำนวนแท่เนี่ยพอก็หัด ว, ว, ห ว, ว, ว่าเป็นเสียงภาคกลางพอว่าหลวงพ่อว่าบูเป็นเป็น เหาเขาโรงเรียนเนี่ยทำอิดเขียนโบเปียนลายมือเข้ากับเพิ่งกับหัดเขียนเขา้ารู้จักอ่อไก่หอไข่รู้จักตัวอักษรมารู้จักบันนี้หัดเขียนให้มันงามขึ้นมากกับรูปสูงกับงามเพิ่งกับสอนอักษรตัําอักษรสูงอักษรกลางเพื่อผ น, นักสร้างวอลลุ่มพอโบ้จักเสียงตั้าเสียงสูงเสียงกลางในเพิ่งสอนอย่งสัน้นบันนี้เหาบัวจำมือเดียวได้ต้องลายมือยังจําได้ อันปฏิบัติด็คือกันปฏิบัติหลายมือเฮ็ดหลมือทำไหลมือมันคิดก็เลยรูมันคิดปุ๊บรูปั๊บมันคิดปุ๊บรูปั๊บมันคิดปุ๊บรูปั๊บเหมือนแมวกับหนูนี่ยมันเหามีหนูเขาจีไปไล่หนูมันไล่โบได้ต้องเอาแมวมาเลี้ยงไว้แมวมันห้อมแมวสิตัวหนูมันย่านโหลดอันนี้ก็คือกันพอดีมันคิด เขาเห็นเขารู้่มคิดมันทุกหยุดหลดุดเพราะเขาเคลื่อนไหวจนโตเขาอยู่เลยนะี่เขารู้สึกตัวเขาเลยนะี่จังหวัดทุกต้องกําหนดรู้ ก, กําหนดตัวนี้ได้สมุทัยต้องละโ อ, อ้ยโตคิดมันก็เลยบวไปหรบเดียวเพราะมันรู้สึกตัวนี้พอได้คิดปับ๊บมันบวทุกปุ่งไปเพราะว่าวิสังขารเป็นวัดสังขารบวทุกปุง่ง อ, อันนั้นเป็นว่าังสัน้นเพราะจัหวัดทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญน่ะมักต้องเฮ็ดบ่อยๆทีทําบ่อยๆที อย่าหยุดอย่าเสาร์ที่ไปใส่มาใส่ก็ต้องเฮ็ดต้องถามที่มักต้องเจริญนี่เราทาให้แจ้งเลยมันจะรู้แจ้งรู้จริงตามของเป็นจริงแท้ๆมันคิดปุ๊บอ๋ออันนี้มันเป็นวัตถุเพราะมันมีอยู่วัตถุแป็นของมีแต่มองว่าเห็นด้วยตาจับบัตถุด้วยมือซื้อมันเป็นอย่างสั้นอน่ยพอเขาจักวัตถุประลมัดแปลนของจริง อาการสภาพเปลี่ยนแปลงไปอยู่บนเสาจักเถือ่อเลยเปียบไว้ต้นไม้ห้วยหนองคลองบึงดินฟ้าอากาศเป็นปรมัดเห็นได้อันนั้นช่ยหน่อยเป็นวัตถุเห็นได้เป็นอาการของมันเปลี่ยนแปลงไปน้อยแล้วก็ใหญ่ตายเป็นต้นไม้ก็ไดห้วยหนองคลองบึงกระตายเป็นถ่มเป็นมันเป็นอย่างนั้นจร่งว่ารู้จักรู้จักอันนี้เรา เรื่องโทสะโมหะโลภะเนี่ยลดน้อยไปลดทําไมจึงลดน้อยไปซั่นมันหักเป็นเองไมั น, นขูมเป็นเองมันมีอยู่แล้ ว, ลวเหมือนกับผ้าเขานี่เขาซักหลายเทือมันสกกปุกเกิดสะอาดขึ้นมาโลดจึงว่าขูมเป็นพระนั้นโบยกเวทอยู่ที่ตรงนี้หลวงพ่อหุ่นอยากเป็นพระหลวงพ่อยางอยู่เดินจมกรมอ้อขูมเป็นพระมันเป็นอย่างนีง้เนี่ยพอถอนผมขึ้นมาโลด โอ้นุ่งกางเกงอยู่เนี่ยพอขายนั่นนุ่งเสื้อเป็นโยมนี่เออควรเป็นพระมันโบได้หมายถึงเครื่องนุ่งของโฮมิอย่างเด้ยลูกหลวงพอลู่เองไทยโบลู่กับหลวงพอ่อหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อกะว่าเป็นได้แท้แทคนอื่นเป็นโบได้กะจำทราบเพื่อนแล้วเรื่องของเพื่นเพื่อนเป็นได้กะเรื่องของเพื่นอย่าพอลู่จากหลวงพ่อเองหลวงพ่อเป็นพระตั้งแต่มือนั้นมาจนถึงมือนี้แหละนุ่งผ้าเรื่องกะเป็นพระได้ นุ่งกางเกงกระเป็นพระได้เพราะจิตใจมันหลุดจากสิ่งเหล่านั้นคุณว่าจิตใจมันออกจากกันได้แต่ว่ไม่จิตใจเอาจากกันไหมเมืองกับเพามีน้ํามันเรือดมียากันยุงน้ํามันรอลื่นเขาเนี่ยยางมักมีบ้านหลพอเรี้ยว่ายางมักมียางมักขนุนยางไม้ยางตอกยางยางกระซังมันติดมือเขาแล้วออนน้ํามันกาดน้ํามันเบนซินน้ํามันยางกระซังแล้วมาหกออกออกมืดน้ํามันรอลื่นเนี่ยออกมืด บัด น, นี้ถ้าเฮายุงกัดเฮาบะเนี่ยเฮาเอาอยากันยุงมาสโลมตัวเฮาไว้ยุงมากบบระบอมากัดอย่างนั้นเรื่องโทสะโมหะโลภะเนี่ยถ้าเฮารู้สึกตัวอยู่เดีวมันจะบกเกิดมันเกิดขึ้นมาในขณะที่เฮาบูลูสึกตัวสมมุติเอาซื้อนี้นเห็นเฮามีรถยนต์คันนึงเอานั่งรถยนต์ไปขับรถยนต์ไปแต่ก้อนนั้นที่ดินนั้นมันบ่มีที่ฟุน้นใบไม้มันก็มีอยู่หั่นมากระโบนิคโมตี พอดีเฮาขับรถยนต์ปื๊ดเปล่าสิคิดฟุ่มมันแรงตามคนรถยนต์ใบไม้มันแรนตามค น, ใใมมนรถยนตยน์อันความคิดเฮานี่ก็คือการพอดีมันคิดปุ๊บมันปรุงแล้วมันเกิดโกดเกิดโลภเกิดลงขึ้นมาแล้วเฮาบ่าเห็นมันเฮาบ่าเห็นเนี่ยจีวา่างไรว่าเฮาหลงตนลืมโตหลงกายลืมใจหลงชีวิตจิตใจของเฮาเป็นว่าอย่างที่ว่โมหะภาษาธรรมานิวะข่มหลง บ้านเขาเรยว่าหลงว่าเลือเหมว่าสันเขาบุหุหจักสัญญาอันนี้สัญญาอันนี้มันมีอยู่แล้วมันคลองที่จะลู่กันอยู่แล้วเป่นว่าสัญญาเจรยงความหมายรู้จาได้เป็นเมื่อหุจักสัญญาเวทนาบุทุกเวทนามียุคเวทนาไปว่าสเสวยอารอมณ์เนี้ยเป็นวันสัญญามีอยู่จะบุทุกสัญญาก็ความหมายรู้จําได้แล้วสังขารมีอยู่แต่บุทุกมันบุทุกปุ่งวิญญาณจึงว่ารู้ วิญญาณนี้เพิ่งเกิดเทียบว่าปัญญาแปลว่ารอบรู้เป็นว่าอย่างสั้นคันว่าตามธรรมะเพิ่งปัญญารอบรู้ว่าสั้นอันวิญญาณกับเบวรู้หลวงพ่อก็เลยรู้จักวิญญาณโอ้อันเพราะว่าวิญญาณตายแล้วไปเข้าทองผู้นั้นไปเข้าทองผู้นี้ไปเป็นผีไปเป็นแย่างนี้พระพุทเจ้าเพียงว่าตัดไว้หนึ่งในหนังสือกาลมสูตรน่ะเพิ่นสอนพวกกาลมาสูตรมาสอนเป็นว่า ครูบาอาจารย์ไว้ฟังญาติเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาญาติเสื้อถือโดยเขาเล่าลือกันมาญาติเสื้อถือโดยเห็นเขาทําตามกันมาญาติเสื้อถือเห็นว่ามันมียู่ตามตําลาเลือในกำภีแล้วทำเป็นว่าญาติเสื้อถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของตัวหลายเรื่องสิบข้อพูนว่ให้เสื้อถือให้อย่างใดต้องทดลองทําดูเพื่นวัยคันโบเสื้อยัง จากน้อยคื อ, อย่างพระวักพระอุปการศีวกคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้าสอบว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ดีอย่างสงอย่ญญางซีเขาได้ยินครูบาอาจารย์เราให้ฟังสแสวงหาธรรมะอุปกาสีวกคนนั้นสแสวงหาพระพุทธเจ้าเมื่อไปเห็นพระพุทธเจ้าเขาก็เลยโบเสื้อเนี่ยถามพระพุทธเจ้าว่าท่านอยู่สำนักใดเป็นลูกศิษย์ของไครครูบาอาจารย์ของท่านซื้อว่ายังได ขันว่าของไผ่เนี่ยของใครมาสั่นภาษาทางภาคกล า, างจําได้เป็นบางคำบ้านหลวงพอ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของเป็นลูกศิษย์ของผู้ใดไผ่มาสั่นบ้านหพอวา่างมาสั่นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราโบสได้เป็นลูกศิษย์ของไผ่โบมีไผ่เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเรารู้เองตัดจะรู้โดยชอบเนักบื่คนนั้นก็นแลบลีนให้เลยไปเลยเนี่ยโบเสื้อจากน้อยนั่นโบฟังหาเหตุหาผลเกี่ยว่าอย่าเสือ่อ คือไอ้ยังไดพึ่นเราเรื่องสันต้องปฏิบัติตามถามเบื้อี่เฮ็ุยังใดเจ้าจึงฮู้อันนี้บทถามอย่างสันขันไปถามหาเจ้ถามหาเจ้าขม่มฮู้ถามหาวิธีเฮตุพูดไม่อย่างสิถูกนั่งจังใดนอนยังใดยืนจังใ ด, งใดเดินไปเดินมาจังไดเจ้าจึงฮู้ถามอย่างสีไหมต้องกระวายฝังโลดสนวนไปปฏิบัติมันฮู้เมื่อฮู้แล้วเน่ยเออจริงแลบัดเหนียวสันจังพะทโท พุโทโธจังหวะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมบัด น, นี้เราไปภาวานาพุโทโธพุธโทโธนึกเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจเพิ่งจิมาได้อย่างไดพระพุทธเจ้าอยู่ในประเทศอินเดียคุณนะพระพุทธเจ้าในเฮา น, นี้เป็นอย่างอโว่าจิตใจพระพุทธเจ้าคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์เป็นว่าจยางสันจิตใจของพระพุทธเจ้าโดยเห็น บ่เคยเห็นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์เขาบ่าเคยเห็นจักเถื่อนที่ว่าเขาเ่อเห็นพระพุทธเจ้าบัดนี้เขามาเบิ่งใจเขาในบัดนี้พอเมื่คิดปุ๊บเขาเห็นโอ้เนี่ยเขารู้เขาเห็นเขาเข้าใจได้ไหมแต่แสดงว่าจิตใจพระพุทธเจ้าเขาเข้าใกล้พระพุทธเจ้าแล้วบัดนี้หลวงพ่อเนีเข้าใจอย่างซี่วะผู้อาชเข้าใจจะไดนบุหุจักหลวงพ่อบุหุจักแท้หลวงพ่อบุหจักตัวหลวงพ่อเองกอ จิตใจสะอาดนี่ก็หมายถึงมันบรสกขปกเด่นจิตใจสว่างนี่ก็หมายถึงเขาเห็นใจเขาเด่จิตใจสงบนี่ก็หมายถึงมันบรทุกปุ่งจิตใจบริสุทธ์บ่เนี่ยบริหลงบรลืมฟ่วมบริสุทธ์เทามีเขาก็ใกด์กับพระพุทธเจ้าเสียเขาได้อันเดียวบ่ได้แต่ความสงบเขาก็ได้พระพุทธเจ้ามาไว้นําเขาอันนึงแล้วเขาเห็นจิตใจเขาสว่างโยสิมันบรเศร้าหมองสิมันบรหดหูมันบรสับสนวุ่นวาย เขากแสดงว่าพระพุทธเจ้ามายืนห่าวแล้วเขาได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าแล้วบันนี้เขากหุ่นจักสงสันสนวาอันนี้เขาบว่าจากเถื่อว่าพระพุทธเจ้าในห่ามีที่ว่ายกมือไหว้ตัวห่าวได้เมื่อหุ่จักว่าโอ้จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์นี่มันคือกับจิตใจพระพุทธเจ้าเด้เขาก็เป็นพระพุทธเจ้าในน้อยๆขึ้นมาแล้วตัวห่ายกมือไหว้ตัวห่าได้เนี่ยพอ ยกมือไหา้ตัวเหาตั้งแต่มือนั้นบนเจนถึงมือนี้เนี่ยพอเพราะว่าปะโทคอขวมดีมันมีอยู่ในเห่านี่ป่านนี้เด้หลวงพ่อรู้จักว่าปะโทคนที่มันมีดีหลายแต่ว่าบุกหัวจักค่วมดีอยู่ในเหาจึงว่าเอาของดีไปใส่เป็นอย่างสัญญาพอจึงว่าโอ้ของดีมีอยู่ในตัวเหาพระพุทธเจ้าก็คือคนธรรมดานี่เองหลวงพอ่อรู้จักเลยพระธรรมก็คือคนธรรมดานี่เองทําการทํางานตามหน้าที่นั่นเอง พระทรงก็แปลีผู้เสื้อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจิ๋ว่าคนจิ๋ว่ารู้จักคนรู้จักหน้าที่ของคนและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของคนจริงๆหลวงคนอเลยรู้จังสันผู้อื่นจิ้จังใดบูมูุจักเนี่ยพอบูมหุจักเรื่องพระอรหันต์นั้นหลวงพ่อจึงบอเสื้อไส่ทั้งมดบบเสื้อแล้วเพราะว่ามันมีอยู่นังสันเพรานจังว่าพระธรรมวินัย คำสอนของพระเจ้านั้นมีอยู่แล้วหากมีผู้โบสถ์โปฏิบัติบบประพฤติตามแล้วก็บบมีแล้วมักผลนิพพานเบัด น, นี้พระธรรมวินัยมีอยู่บัดนี้คำสอนของพระเจ้ามีอยู่บัดนี้ถ้าหากมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามอยู่สนิมักผลนิพพานจึงไม่ว่างจากโลกแล้วโลกก็บ่าไม่นานโบได้หมายถึงดินฟ้าอากาศโบได้นเนี่ยพอโลกคือโลกโตเฮานี่แหละโอ้มักผลนิพพานมันมีอยู่กับคนนี้ทุกคนคนือเข้าใจกันไหมว่าโลก โลกจึงคือมู่สัตว์นีอยู่ในสัตว์เพราะอย่าโอ้หมักผลนิพานมาันเป็นอย่างซี้เด้ควรโบลงนี่เด้ผนเอิญ น, นิพานเพราะอย่างนิพานจึงว่าเย็นจึงว่าสงบแล้วจึงว่าอุเปกขาจังวนนหวะจะไหนโหผนักว่าหลายขุมนี่นั่งอยู่เดี๋ยนี้นี่นะพระก็นั่งอยู่เดี่ยนี่ญาติโยมก็นั่งอยู่นี่านนมาปฏิบัติธรรมันเป็นอย่างไงงด้จิตใจเขาเดี่ยนี่ซื่อๆผลว่า อันลักษณะซื้อๆนั่นเพื่นเอิญโอเปคขาอันนั้นแล้วมีสิ่งมีธรรมเรื่หนึ่งเพื่อนเอิญโอเปคขาวางเสยเขาสั่นอันลักษณะนี้นี่มันมียู่เฮาบอโบเห็นมันจักคื่อโบเข้าใจมันจักเถื่อถ้าเฮามีจังซีแล้วก็เปรี้ยเฮาได้พระพุทธเจ้ามาไว้นในเฮาแล้วเฮาบมลงบมลืมเยจิตใจมันนึกมันคิดเฮาก็เห็นก็หูก็เข้าใจเนี่ยเพื่อนเอิญสัญญาความายรู้จําได้โมลงโมลืมชีวิตตัวเองวันสักวนวานให้เข้าใจจังซีวันวานจังว่า ภิกษุยู่โดยสอบหรือว่าญาติโยมยู่โดยสอบแบบนี้พระอรหันต์ก็บวชจากโลกนี้เพื่นว่าโลกอันเฮานนะี้ได้ อ, อยูอย่โดยสอบเฮาให้อย่างเยอะย่อเฮาให้หูจักหูเมื่อทําการทํางานรู้จักรู้เมื่อจิตใจมันนึกมันคิดรู้จักรู้เมื่อนอันนี้อันพระอรหันต์บริเวณพระอรหันต์ออกไปหาะอยู่พุนอันนั้นเป็นเรื่องหนึง่งพระอรหันต์หลวงพ่อเข้าใจพระพุทธเจ้าวาวาจยางสี่โอ้ พระอรหันต์มันหมายถึงรู้จักตัวเองกําลังเคลื่อนกําลังไหวรู้ ก, กายภายนอกนี้จิตใจมันนึกมันคิดมันเหตุมันหูนี้โอ้พระอรหันต์หมายถึงผู้รู้อันนี้อาจัรนหลวงพ่อเลยเข้าใจอาจารย์ทิฏฐิหลวงพ่ออันนี้ทิฏฐิผู้อื่นนั้นเป็นจยางไรแต่พอบูรจักเ์จะทิฏฐิจะเปลความเห็นความเห็นทูกต้องผน้อื่นสมมาทิฏฐิความเห็นผิดเผู้อื่นเป็นมิสตาทิฏฐิ เพลนว่าอย่างแต่ว่าไผเห็นผิดไผเห็นทุกไผ่กมาตัดสินให้เหาเหาต้องตัดสินเอาเองจีอย่าให้พกูกอือนมาตัดสินให้เหาจีได้บอกไผ่กี้เห็นนำเหาคนอือนบ่เห็นนำเหามดเหาจิรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเพลนว่าสันธิติโกนควรเรียกให้มาดูโบไม่จีเรียกให้มาดูสถานที่นั่งสถานที่ตัดสัลูสถานที่พระพุทธเจ้านิพพานบไม่ทนเรียกมาเบื้งอันนั้น เพิ่นเรียกให้คนมาเบิ้งจิตใจเฮานี้เพิ่นว่าจาังสันมันนึกมันคิดอยู่นี้เบิ้งที่ตรงนี้เมื่อลูอันนี้แล้วหลวงพว่อก็เลยรู้จักกิเลสตัณหาอุปทานเลยขึ้นมาโลดไปเดียวกิเลสคืออย่างเหนียวอย่างอย่างพอว่าเมื่อกี้อย่างไม่เขาไปจับมักมีมักขนุนนะหรือจับก้วยดิบกระตั้มซ้ำมันติดมือเขาโรดกิเลสไป น, นั่นตัณหาอท่านมันยากอุปทานมันยึดต่ํา ก็เลยเสวยควบยึดถืออันนั้นบัดนี้บัดนี้เขาเห็นเขารู้แล้วกิเลสมันเกิดขึ้นมาบดได้มันบดมันบ่มีอย่างนี้เมืออกับเอายากันยุงมาสโลมันนั้นแล้วมันก็เลยโบเกิดแล้วบัดนี้แต่มันล้างออกไปแล้วนี่มันโบเกิดนะท่านคนนี้ว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบเลยทุกคนเพราะว่ากิเลสอย่างหยาบมันออกไปแล้วโทสะโมหะโลภกิเลสตัณหาอุปทานนี่ยมันลดน้อยลงไปแล้ว ด้ยหู้จักสิน่นสิ้นนั้นแปลปกติซื่อๆนี่เนี่ย อ, อ, อ, อหู้จักแล้วเอื้นสิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันข่าวนั้นหลวงพอมีไม่ออกไม่เทียนเนี่ยให้ว่ามีแหว่าสังกไดใดําผ้าฟืมสิบสองมันขันมันที่เอาไปนุ่งห่มก็ได้เออาไปนุ่งก็ได้เอาไปหม่มไปบียงไปอาบนา้ําเห็ดท้านุ่งอาบน้ําก็ได้มันฟืมที่ฟืมขัน หลวงพ่อเลยเข้าใจอันนั้นมาเปียบที่โอ้สินขันกับฟืมขันนี่อันเดียวกันเนี่ยฟืมขันเนี่ยต่ําเสื้อตั้มผ้าเนื้อผ้ากรงามถ้าฟืมจานได้บะเนี่ยฟืมจานแล้วตั้มเสื้อตั้มผ้ากระบงงามหลวงพ่อเปียกสั้นเอาขันบันเดียขันแตกได้บัขันแตกตักนาำกับโบได้กินเอาไปให้ยังโบได้ทั้งนั้นขันแตกอโอ้ขันนี่หมายถึงขันดีที่ได้โอขันดีตักน้ำก็ได้กิน ตักข้าใส่บาตให้เจ้าหูวไอจ่วก็น่ากินแต่ตักอาหารกกินได้มันบูฮวาโบแต่โอสินขันรูปขันอันนี้มีศินลูปห่อนี่ลูปอันนี้มีสินเวทนาขันมีสินโตเวทนาก็มีศินสัญญาขันก็มีศินสร้างขานขันก็มีศินวิญญาณขันก็มีสินจึงว่าสินจึงว่าบเมสินหสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบจิบเมีนเน่ยพอหู้จักขันเสร็จเ่ยพอหู้จักเรื่องนี้จึงว่าไผซีว่าเส่นก็ะตำสร้าง หลวงพ่อเเว่าตามความเห็นของหลวงพ่อเมื่อเนี่ยวันนี้เปิดอบรมเมื่อวานนี้บอกเป็นบอกเมื่อวานนี้เปิดอบรมเนาะวันนี้เป็นวันพลหัสพลิมันพุทหวัวันนี้เปนพลหัสพลิเมื่อนี่เป็นวันศุกร์เดือนมืถุนายนเมื่อนี่เป็นวันศุกร์เป็นวันที่สองแล้วเปิดงานมาเ น, นี่ยจึงว่าว่าความจริงให้ฟังให้เฮามีปกติ กายปกติวาจาปกติใจอันปกติเนี่ยเปิดเอป็นวสิงอันปกตินั้นคล้ายๆคือนิพพานอันปกตินั้นคลายๆคือพระพุทธเจ้าอันปกตินั้นคลายคลคือพระสาวกหาก็ต้องเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจงมารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามพระพุทธเจ้านมพอเข้าใจอย่างสั้นผู้อื่นที่มาแสดงอย่าพ่อกระบโ บ, โบเสือ้ออย่าพ่อเสือ้อขุมลูคขุมเห็นขุมเข้าใจของตัวเอง และมันว่าไปขัดกับตําราว่าไปขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าอย่าพอบบได้เรียนหนังสืออภาษาบาลีหลวงพ่อโบรูพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียพูดภาษาอินเดียคนอินเดียฟังต้องรู้คนไทยฟังโบรูฟังก็ต้องแปลต้องเรียนอย่างใดการแปลหนังสือถ้าเพี้ยนออกไปหรือผิดออกไปน้อยนึงกับผิดกันรถมาเดียวอืม ถ้าแปลทุกเอามาปฏิบัติก็ถูกต้องรดไะเดียวถ้าปฏิบัติโบถูกปฏิแปลกับโบทุกมาลดพิษลดหลวงพ่อเข้าใจยังสั้นกอเราโบต้องไปแปลและบัดเนี่ยของว่าคนไทยก็ต้องรู้แบบคนไทยทีคนอินเดียก็ต้องรู้แบบคนอินเดียทีสมมติว่ากินเขาเสียบ้านเนียเพราะว่ากินเขาคนกรุงเทพนี่เ่ราะว่ากินเขาหรือจีว่าอย่างไหนของเอา ว, าว่าโน้ตเอาคุณคุคุคคนั้นว่านุเพราะว่าเป็นคน ทานข้าวเนี่ยเมืองลาวว่ายังไงเมืองลาวกินข้าวแน่เมืองลาวก็ว่ากินข้าวเกิดพาญาพโอใกล้เมืองลาวเนี่ยคนคนลาวอันนั้นกระด้นหัจักกันมาเกิดมาจักมาทางเวียงจันทร์มาทางลาวคอนพนมว่าคือกันกับบ้านพญาพโอกินข้าวอาบนา้ําทางพี่วัต ส, ส่งน้ำท่านบ่พิวัติส่งน้ำไม่บายเดินอย่งสั้นอย่างวมันนี้คนไทยกัมาอยู่ได้กรุงเทพป่ะ คนเราก็มาอยู่ได้คนฝรั่งเศสก็มาอยู่ได้เพราะมันเป็นศูนย์รวมเนี่ยอันนี่ดังนั้นจุดนิพพานนี่คือกันเป็นศูนย์รวมทุกคนศึกษารู้ได้เหมือนกันเรื่องความเป็นพระนักกาทุกคนศึกษาได้คือกันรู้ได้คือการมดโม้พิษกันจิงว่าคนไทยก็ศึกษาอย่างนี้คนจีนก็ต้องศึกษาอย่างนี้คนฝรั่งเศสก็ต้องศึกษาอย่างนี้คนอังกฤษคนอเมริกาคนอินเดีย ก็ต้องศึกษาอันนี้รู้อันนี้เข้าใจอันนี้รู้คือกันจริงวะโบผิดกันเจ้ะ ว, วิปัสนาจึงยบไปว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วตั้งเก้าล่วงภาวะเดิมรู้แต่พอตั้งยังไดหนึ่งเจ็ดกรนลวงพอสุบุรีเลิกได้หลวงพอ่อโบสูเ้เพนอมนเป็นทุกข์จริงๆหายใจเขา้าหายใจออกกือ น, น้ำลายได้ก็ทุกแทบตายแล้วยังเจีไปเอาความนั้นมาให้อีกเพื่นบอสหลวงพ่อเลิกตั้งแต่มื่นนั้นจนถึงมืนนี้หลวงพอ่อ เห็นจังสรนคิดเห็นมูดสู้บุรีโอ้ยทําไมนาะจังหนุเขาคิดผู้เดียวเลยทุกจัานี้เอาทุกมาไว้อย่างสันเราจะเจ้าของอยากเศ้าทุกยากเหนียกทุกเอาทุกมาพอกพูนไวจ้จรงว่าเทวดา ก, กับนอนเว้ากันจึงจะบูรูภาษากันเนี่ยความสุขมัตั้งกันอย่างสันหนุเขารู้จังสันไทรสีว่าจะให้กระทํำสานนอนมันชอบอยู่กับของเน่าของเหม็นออื บ้านี้แมงพูแมงเพลิงมันบุญอยากอยู่กับของเนาของเมลจียงว่านอนกับเทวดานั้นทําอิจยุนนำการตอนวันวาซ่องคนเป็นเพื่อนเป็นที่รักกันไปรักษาศีล น, นํากันคือยังสมมุติเอาทังสี่แล้วผู้เรงรักษาศีบลบริสุทธูดเรื่องรักษาศีบบลบุบริสุธ์ดอย่างเฮานี่คือกันมาเจริญนิพพสนามาเจริญสตินี่บางคนเฮตบูจิงบางคนเฮ็จิ้ง เฮตจิงมันก็ต้องรูของจริงตีเฮตโบจริงมันก็รูของโบจริงตีบั น, นี้ผู้ที่รักษาศีลบุบริสุธิ์นั่งกะตายไปแล้วไปเป็นนอดมาสั น, นผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์นั้นตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาสันบันเนสองคนตายไปแล้วก็เลยซอกหากันได้แบบ น, นี้บ่เห็นกันจากเธอผู้นอนกระจมอยู่ของอุจลละฮะแล้วผู้เป็นเทวดาก็มีตาทิพด้วยแบบนี้มองไปพุ่นไปพี่ เลยเห็นผู้เสี้ยวไปเป็นหนอโยก็เลยมาหาสําแดงกายเมาเวาันวสากับเพศเป็นคนมาเฮ้ยเฮยเอิน e ผู้เสี้ยวผู้เสี้ยวก็บผู้จักจําเสียงกันได้ด้เคยอยู่นํากันมานานพว่าเฮ้ยวันโอ้เฮ oh, ้ยอย่างอยู่นี่สันโอ้เหาอยู่นี่นานแล้วสันโอ้สันโจไปใส่มา้าสันผู้นอนถามนอนกับเทวดาพูดกันได้เดิ <S <S มันเป็นเรื่องสมมุติว่าสืส่อนี่นะ่ะ โอ้หอากลับมาจากเมืองสวรรค์พุทธแล้วเป็นเทวดาไนดะ้เหรโอ้อดว่าคุณค่าเมืองสวรรค์ให้เขาฟังเลยน่าเสี้ยวว่าสันมันเป็นยังไดอย่างว่าอยากไปวนะสันโอ้เมืองสวรรค์เป็นเทวดานะั้นสบายเพื่อนหรือเสี้ยวว่าสันอะไ้สบายจังใดว่าให้ฟังเลยนะูมันได้จินของทิพยนะ์บาสันของทิพย์เป็นยังไดว่าให้ฟังก็วะสันอยากได้เสือ้ออยากได้ผ้านึกเอาแล้วก็ได้โลดอยากได้บ้านอยากได้เหือ่อนึกเอาก็ได้โลด แค่ว่าอยากได้ลูกอยากได้เมียงามงานก็นึกออกก็ได้โลดวันสันคูเสียวไวฟังปาทุกวันได้นึกออกนอนวันเออได้นึกออกของทิพเปอร์โอเป็นอย่างสันที่ของทิพเปอร์เป็นอย่างสันไปยื่นกันบอสโอว่าทุกได้เสียววันเฮาอยู่นี่สนุกแท้แท้วันโบได้นึกโบได้ฝันมิยัง่งวันอาหารก็อาหารสดสดดีๆี แม่ที่นั่งที่นอนกันนิ่มนวลดีๆวะสันโหสวรรค์อาหารดีๆจังได้เสียววะสันถามยกกับพิกิงตีงโตมาโบาได้นึกได้ฝันไม่หยังเขามาส่งซุมือสูมันนึกเวลาใดบ่มีโ บ, บได้นึกได้คิดมันมีอยู่ในพร้อมโนะบแม่งของทิพย์ได้เนี่ยเสียววะสันขี้ได้อันนี้ววะสันฮู้อันเทวดาไวาฟ้ฟังโอ้ขี้ที่เสียวอันเนียววะสันขี่อันนี้ของสกปกวะสันก็เลยถามเมืองสวรรค์มีขี่โบเซียววะสัน โอ้มันจมีมีขี้มีย่างเสียวอ่ะสนมันมีของทิพมันจีมีขี้โอ้ยขันบุมีขี้ให้กูกินกู ก, ก็ไปในเมืองบ่ได้แล้วเซียวเพราะกูกินขี้อ่ะสิกระดิกหัวไปเป็นนอนคือเกา่าคนเฮาก็คือกันสอนให้ละซัวทําดีบ่อยากทําไม่เป็นอย่างไรมันชอบของซัวมันจะอยู่ของซัวในครึง่งนึงเลยวะ ห, หน้านี้ถานหน้านี้ได้ครึ่งนึงเลยว่าเขาเนี่ย บอกให้หละสัวบวย่างละคนมาเจริญนิพพานก็คือกันมาบวชแล้วก็คือการบวดได้เจริญนิพพานคือกันบุกกินเหล้าบวชลินเบีย้ยบวชลินไผ่มาบวชอ่ะเพราะมันวิน่นในเพิ่นห้ามไปแล้วมันมีระเบียบมีวิน่นในซึกออกไปกับกินเหล้าคือเก่าลิ้นเบี้ยลินไพคือเก่าเพราะเจ้าของบริจากทุกนั่นเองบันนี้คนมาเจริญนิพพานเพิ่นสอนให้หละ ซึ่งที่มันบูดีจึงสมมุติเอานะหลวงพอ่อรู้หลวงพอ่งพอก็เลยบอกมาเฮ็ดบุญบ้านนะพอ่อเน่ยพ่อเฮ็ดบุญบ้านประจําำมาเฮ็ดบุญเหือนให้วันนี้มุนเอาพระมาเทศให้ฟังพระอ่านหนังสือบโบมิณเทศดอกบ้านเน่ยพอ่อเอาใบลานมาอ่านให้ฟังอ่านหนังสือโบมิณพาเทศอ่านหนังสือกับเทศกับแสดงทำคนละอันกันเนี่จหักว่าวคุมเดียวกันแสดงทำคือเน่าพ่อว้าอยู่เดนีนี่แหละเนี่ยเทศ่ะไปวาให้ฟังสิแหละ อันนั้นอ่านหนังสืออ่านตามตัวหนังสือเนี่ยนั่นจึงว่าคนเหาเฉพาะเตสอีกซึม่ะเฮ็ดบุญบ้านญาพอบุญแจ ก, กข้าวบุญภัสสะเพ่งบุญญกระทาสร้างเนะ่ะต้องจีบมากบวนบุรีให้พระเจ้าของสร้างบาปสร้างกรรมอยู่ยางนีว่าเจ้าของเอาบุ ญ, ญอยู่ได้เนี่ยพอเป็นสัน้นเลยหัวจักหัวจักพปแล้วเนะี่ยพอก็มาเฮ็ดบุญบ้านญาพอบอกบอกว่ให้เฮ็ดบอให้จีบมากบอกใมวนบุรีบอเฮ็ดเนะี่ โอ้ขา จ, จะวาให้อย่าพอบมาทําลายขนบทำเนียมประเพณีอันดีงามออกไปว่กาการทาสร้างขาเ จ, จ้าแล้วเขาเ จ, จ้าดีนะั่งข้าเจ้าให้เอาสนว่าอย่าพอเลิกบ้านเน่ยพอบอดีบ่ให้เหตุเลยบ่ให้จีบมากบ่ให้มวนบุรีบ้านเนี่ยพ่อเฮ็ดบุญผู้ยิงนี่นะไปห่อก็ต้องตัดตองห่อเขาปุ้นห่อเขาปาดอืมเป็ น, นบ้านบนี่ยพ่อแต่บ้านอื่นให้อน่ยพอบุหุ่จักเอาตองอ้วยห่อเนี่ยเอาไป ให้มันแดดแล้วข้าเจ้าไปเฮ็ดมาไปตัดมาไว้เป็นมือแล้วข้าเจ้าเอากันไปะห่าเอามาเอาผู้นุ่มผู้สาวคนนุ่มขนสาวเนี่ยไปเอาตองห่าบมาเป็นห่าพุนตัดตองห่อเข้าปาดเข้าต้มพอได้ตัดตองห่อเข้าปาดข้าต้มแล้วก็มาจี้มากบุนบุรีบัดเนี่ยผู้ซ้ายบัดเนี่ยขูดมะพร้าวคั้นน้ำกะทิให้เข้าปาดเ ข, าาข้านาโคลบัดเนี่ยเข้าวหยาคู จีวายอย่างไรหบาดญาพ่อเป็นยัาพ่อเลิกไว้เห็ดให้เห็ ด, หหดแต่ตัดตองห่อข้าวปุ้นข้าวปาดให้เห็ดแต่บอให้จีงมากบุนบุรี่เขาเจ้าหาว่ายาพ่อนี่ลบลางประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามขาเจ้าเสื้อให้ยัง้งนี่แหละเพื่นว่าอย่าเสื้อที่เขาทําตามกันมาเพื่นว่าขากเจ้าของหูแจ้งเห็นจิงจะไปเสื้ อ, อยางไดนี่แหละต่างเกาล้วงภาวะเดือดแท้ยๆยาพอ่อยาพ่อจีงบกบวชเนี่ยขันบอกมูก่นะ เขาก็เศร้าวได้ไปยั้งสุบุรีเนี่ย้ายสาวโบได้แล้วของกินมาแต่พอ่อแต่แม่แต่ปู่แต่ปู่สิไอ้หงสผู้หญิงบ้านอย่าพ่อคันบเแค่ามากเขจาจะเขาว่าบูดีนี่เป็นหนึ่งสันอย่างว่าอันพ่อแม่เนี่ยฮักเขาที่สุดซ่อนเขาโดยทําผิดบูรู้สึกตัวอย่าพ่อก็นจิซูบุรี่เป็นกันอย่างน้อยไปนอนนากับพาะพ่อไปไถนาเมื่อสาวฮีดมันจ่อหูวหมู่คนมันจอ่นจอเนี่ไยไถนา เอาแม่ก็เลยมวนบุหรี่ให้ให้พออ่ไปไต่ไห้พอไปแลนไปแล้วบอะีรจุดแล้วก็เป้ามาวอมามาไกลมันมอดนั่นยืนให้มันมอดเลยเอาไปใต้เพิมบ้านอย่าพอเอ่ยมาไปใต้ทางที่จิว่าไปจุดหรือว่าอย่างไรมาไปจุดนะไปจุดบ้านอย่าพอเดี๋ยวไปไต่ไปแลนไปไปกัไปจุดไอ้ไตื้นไปไต้ก็แล่นมาไอ้ตื้นมันไกลมันกับบ่ฮอดหรือเธอมันกับมอดมาครื่งทาง ยกให้มึงยังบมสู้มาเพื่อวะเนี่ยบ้านี้ก็หัดสู้แล้วอยไเนี่ยเห็ดมันแล่นไปสู้ไปยืนไปให้พวกมันสู้ไปก็เลยติดสูบบุรีเป็นอันเรื่องจังซีแหละเหาบูฮุจักแค่ามากก็คือการแม่ก็ต้องบอกว่าไปเห็ดอันนั้นอันนี้ให้แม่ไปแม่จะจี้ขาม่าให้เพิ่นยำ่ำเพิ่นแขลดเพิ่นแบงให้เ่าครึ่งหนึ่งหรือแบงให้ห่อน้อยน้อยมันฝึกหัดกันใมาในทางที่ผิดเนี่ยเพื่อวาฟังผิดจำมาผิด ปฏิบัติก่อผิดทนออกมาก็ได้ับทุกฟังมาทุกปฏิบัติก่อทุกพ้นออกมาทุกกระโบมีแต่เฮาโบาเข้าใจว่าซิ่งเหล่านั้นเป็นทุกเฮาเข้าใจแต่ว่าทุกโบมีเงินทุกโบมีมู่โบมีเพื่อนทุกเจ็บหัวปวดท้องเฮาเข้าใจแต่ทุกอันนั้นโอ้ยทุกอันนั้นเขาเขรู้อันนั้นเด็กน้อยเขาก็รู้เขาไปทาบุแม่เจ็บแข้งเจ็บขาที่ได้นะ่ยเขาก็รู้อันนั้น เจ็บหัวปวดท้องใส่ก็เขารู้คนบ่มีเงินบ่มีทองเขาก็พูดอยกเขาก็รู้ดังนั้นการศึกษาเล่าเรียนเจนได้ปริญญากาาระทำซ่างกิมมาแก้ทุกนี้เองหาเงินมาได้จาก 100, 000, 000, 000, ลอยล้านพันล้านกับเจมมาแก้ทุกนี้เองถ้าแก้ทุกนี้บ่ใดแล้วก็ซื้อว่าประโยชน์มันน้อยที่สุดคนเกิดมาอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกไปใส่มาใส่ยูนกับทุกนั่นเพิ่นว่าบ่าใส้ขนอันเพิ่นว่า มันเป็นขนแตยโใสซขนผุนวันเพราะมันออกจากทุกบดได้ยเด้ดังนั้นก็ว่ากันในน้อยอันเนี้ยว่าตามความจริงอันเนี้สมถทกรรมฐ า, านอย่างเช่นเป็นอุบายให้สงบจิตสงบใจซื่อสงบอยู่ฮั่นซื่อโบไม่ออกจากทุกได้เมื่อกับคนอยู่ในทั้มคนอยู่ในมุง<ต>คนอยู่ในทั้มมันจีมีความสร้างจากเธอโบความสงบมันจีเห็นแจ้งจากเธอโบ วิปัสนาจิตว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเห็นจริงๆรู้จริงๆเข้าใจจริงๆหลวงพ่อเข้าใจตามคําสอนของพระพุทธจิตว่ารู้จักสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานจิว่โบกือกันคือกันแจ้งโบกือกั น, กนจิตว่าเดินทางเส้นเดียวกันได้จิตว่าเดินทางคนละเส้นก็นได้เพราะว่าต้องการละซัวทํำดีผลว่าทางมิใสทางเนี่ย พระพุทธปสอนเราทางมิใส่าทางเฮาเว้าเป็นเฮาหอบูจาทางอันใดบูใช่ทางอันใดอันนั้นทางสงบเสื่อบูเม็นทางพ้นทุกข์เป็นว่าจึงว่าบูเม็นทางเฮาได้ยินเนี่ยได้ฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปศึกษากับอาลาดาบุตรอุทกาดาบุตรสองอาจารย์เนี่ยจนได้สมาบัดแปดพุ น, น่ะหาะได้ดำดินบินบนได้เใด็จฮู้เดี๋ยวพอโบเห็นนั่น เข้าซารออกสารได้โอชพบุญว่าโม่หูจักแก้ทุกบ่ได้มาอดเข้าอดน้ําก็แก้ทุกบ่ได้เข้าเห็นยิ่นี่รูปผาบ้านหลวงพอ่อพุ่นปั้นรูปแล้วก็ไปแต้มใส่หนังฝาโบดถ์ฝาสิมฝาผนังสิน่ะเห็นมืดเนีย่ยพอเห็นอย่างสัน้นเพราะว่าบ้านเนี่ยพอพุ่นเห็นอยางสัน้นก็ต้องหูจักอย่างสัน้นบ่บนเป็นถางคนถูกทางมืดบ่กินขา้าวท้อเม็ดงาพุ่นนะกินขา้าวเมลเม็ด เมื่อละท้อเม็หงาท่านเลยอดบวกกินคุนอีกเติมก็บรได้ตัดปรูลอัะไรบริเวนทางประมาณทางมิใช่ทางว่าเสมันว่าให้เข้าใจว่าทางมิใช่ทางกัให้เข้าใจจริงๆเนีถ้าโบเข้าใจแล้วปฏิบัติก็อาจจะถูกน้อยผิดหลายถ้าหาเข้าใจแล้วปฏิบัติถูกหลดุดอย่าพะบุ้งหัจักแต่ก่อนเมื่อมาหัวจักอันนี้แลยอย่าเพอ่อโอ้คําโพธิ์เนี่ยพวกมันลึกหลับซับซ้อน อย่างที่เพนว่าพระวรกะลิก์นั่นคือกันเฮานึกว่าพระวรกะลิกเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าติดตามพระพุทธเจ้าซ้อมพระพุทธเจ้าอวสานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ร้อยฝังเลยบ้ได้ปฏิบัติตัวเองพระพุทธเจ้าก็เลยว่าให้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดโบ้เห็นธรรมผู้นั้นบ้เห็นเราแม้จะจับสายจีบรจับนิ้วมือเรายุ่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมาเลย ดาพระวกลิกดานีนว่าจะไหนฮู้บูฮู้จักภาษาเนว่าจะไหนดาเนี่ยดุดุดุด า, ดดาเลยพระวกริคกฤติยาใจจีนหนีไปโดนเหว ต, ตายว่าสน่ห์พระพุทเจ้า ก, ก็เลยไปห้ามไปว่าพระวคลิกตายเป็นไมมตายเป็นตายเป็นเน่าเหม็นเป็นโอ้ตายเป็นเน่าเหม็นเป็นเนาะก็เลยซี์มือมาใส่เพลิน อันรูปนี้ก็ตายเป็นเน่าเหม็นเป็นโมตายเป็นเน่าเหม็นเป็นถ้าตายเป็นเน่าเหม็นเป็นจิตเป็นพระพุทธเจ้าได้ทําไมพระวกริกก็เกิดมีความสงสัยขึ้นมาอันนี้โบไซพระพุทธเจ้าอัศวะให้ฟังก็ เ, เลยเข้าใจเลยย่าไปยุ ก, กับจิตที่มันสับสนวุ่นวายนั้นมันนึกมันคิดันนี่ไปให้พ้นจากจิตอันนี้พ้นบอกให้พระวกริกเสาร์ขมคิดพ้นเลย ความคิดสับสว น, นวุ่นวายปุ่งแจงเลิกมันอย่าไปคิดมันเบื่งความคิดนี่ตัดออกตัดออกเพลินวายอย่างสันที่ซื่อนี่เด้แต่เขาบอกเข้าใจเด้เขาเข้าใจว่าไรพระวักลิกนี่แท้ๆคนเด้ยข่มจริงโบแม น, อ, น อ, อย่างสันเพลินบอกภระวักลิกยามาดูดูจิตดูใจท่านท่านจิตใจท่านก็มีความสะอาดสว่างสงบมีความบริสุทธิ์คือกันนั่นแหละเป็นจีวายอย่างสันกข บ, บุฮุจักเขบุฮุจักเพราะเป็นคนอินเดียว่าเนี้ พอดีเป็นอย่างตันพระพุทธเจ้าก็เลยว่าให้พระวรกลิศพระวรกลิศก็เลยเติดข่มเข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพาเดียบุคคลยุตใสก็ได้บ่อนันยุตกับพระพุทธเจ้าก็ได้เมื่อยุตกับพระพุทธเจ้าก็ได้แนี่เหาก็คือการนั้นแหละบ่อนันเมื่อเหารู้เหาเห็นเข้าใจแล้วอ่เอาพระพุทธเจ้ามาไว้กับตัวเหานี้เอาแหละที่ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจเมื่อนี้ก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาแล้วถ้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสง์แลียจอยู่มานั่งฟังธรรมะมาเจริญปัสนา ในขณะนี้อาตจมาขออ้างอิงเอาคุณของพระทีเจ้าและพระธรรมคาสังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระนันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเามาเตือนจิตสกิจใ จ, จของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงย่างที่พระพรุทธเจ้าวานั้นสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงเราแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราแต่ทคนี้ขอให้เราทุกคนจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้านั้นก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างพระพุทธเจ้านั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในเวลาอันใกล้นี้จงทุกทุกคนเทิน